เอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาะจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สุขีอ่ะป่ฟังเคสต study กันเลยคุณพ่อและคุณแม่ของลูกเป็นคนจีนเกิดที่จีนแผ่นดินใหญ่เมื่อติบโตขึ้น คุณพ่อไปช่วยญยตยาที่เวียดนามทํางานระยะหนึ่งแต่นั้นก็เดินทางมาสแสวงโชคพร้อมพี่ๆของคุณพ่อที่เมืองไทยคุณพ่อตั้งทํางานทุกอย่างตั้งแต่วัยหนุม่มโดยขายบุหรี่อยู่หน้าโรงฝิ่นสมัยก่อนการสูบฝิ่นยังถูกกฎหมายอยู่เออเดี๋ยวนี้เขาเลิกฝิ่นแล้ะท่านจอมพลสฤษดิ์เอามาเผากลางท้องสนามหลวงเลยครูไม่ใหญ่ก็ยังเด็กๆอยู่ตอนนั้นอ่ะยังทันเห็นฝิ่นนี่แม่เขายังเลิกกันได้เลย พินเลิกได้เนี่ยบุรีเอวยสราเมลัยเออยต้องเลิกได้จะนั้นคุณพ่อก็แต่งงานกับภรรยาคนแรกไปเธอคลอดลูกแฝดท้องแรกก็เป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตเราทั้งสองได้ฝากภรรยาคุณลุงคนโตไปเลี้ยงคนหนึ่งคือภรรยาคุณลุงเนี่ยเป็นภรรยาคนโตท่านเอาลูกไปเลี้ยงคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งให้ภรรยาคนน้องของคุณลุงไปเลี้ยง ท่านมีคนโตกับคนเล็กแต่ลูกที่เลี้ยงโดยภรรยาคุณลุงคนหลังคือคนเล็กเนี่ยไม่แข็งแรงจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาทําให้คุณพ่อเสียใจมากหลังจากนั้นคุณพ่อก็แต่งงานใหม่กับคุณแม่ซึ่งก็คือคุณแม่ของลูกนั่นเองมีลูกเดียกันเจคนลูกคนที่สองเป็นผู้ชายเกิดได้37วันก็มีอาการชักตั้งพาไปโรงพยาบาลให้หมอรักษาทําการฉีดยายให้วันละไม่ต่ากว่า8ดเข็ม รอมีอาการชักเป็นระยะระยะแพทย์เตรียมทำการรักษาบอกว่าลูกชายคนนี้จะมีอาการทางสมองและได้เป็นใบตั้งแต่นั้นมาเมื่อตโตขึ้นก็นยังคงมีอาการชักเป็นระยะตกประมาณเดือนละครั้งช่วงหลังก็ประมาณปีละครั้งถึงสองครั้งต้องทานยายแก้ชักตลอดทุกวันปัจจุบันไม่มีอาการชักแล้วแต่กระดูกไม่แข็งแรงเดินไม่คล่องแคล่วตอนนี้อายุ52ปีแล้วเจ้าค่ะ ทุกวันนี้คุณแม่จะเป็นกรมิตรเทคกับพี่ชายที่เป็นใบ้ให้ใส่บาตรด้วยกันทุกๆเชา้าลูกคนที่สี่เป็นผู้หญิงเธอเป็นคนที่ป่วยอดๆแอดๆตั้งแต่เด็กและได้เสียชีวิตตอนสองขวบเท่านั้นส่วนคนที่ห้าเป็นลูกก่ะคนพ่อเป็นคนเอาจริงเอาจังทำงานหามรุ่งหา่ําขายบุรีอยู่ประมาณสิบปีแล้วก็เปลี่ยนมาประกอบอาชีพค้าขายอาหารซึ่งก็มีการขายสุราและบุรีด้วย คุณพ่อจะนอนดึกและตื่นเช้าค่อนข้างเป็นคนจะโมโหไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำบุญนานๆจึงทำทีเช่นในโอกาสวันคล้ายวันเกิดก็จะใส่บาตรหน้าบ้านตามจำนวนอายุของท่านแต่ตัวเองไม่ใส่ให้คุณแม่และลูกๆใส่แทนคุณพ่อประกอบอาชีพขายอาหารโซราและบุรีนี้อยู่ประมาณ20สปีมาเริกขายตอนอายุ60สิปีและเริ่มมีอาการปวดท้อง เมื่ อ, อยุ62ปีคุณพ่อกระป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กระเพาะอาหารหมอต้องผ่าตัดเอากระเพาะทิ้งและก็ผ่าตัดซ้ำครั้งที่สองแล้วมีอาการสื่อมไม่หยุดคุณพ่อจากพวกเราไปเมือ่อท่านอายุได้63าปีก่อนลูกเข้าวัดสามปีค่ะคุณพ่อองลูกทกํากรรมอะไรจึงเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารตายแล้วอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกและภรรยาส่งไปให้ไหม พี่สาวคนที่สี่ทำกรรมอะไรถึงตั้งตาตั้งแต่อายุสองขวบตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่ชายคนที่สองเป็นใบเพราะทำกรรมดื่มสุราหรือเปล่าคะติ่ไปลอกชักในวัยเด็กเพราะกรมอะไรทําไมโตขึ้นแล้วถึงหายดูแล้วไม่น่าจะแข็งกระด้างแต่ก็มีอายุไม่ได้ถึงห้บสองปีแล้วเพราะบุญอะไรเขาจะหมดกรรมเป็นใบเมื่อไหร่และลูกทำบุญในฐานแทนเขาได้ไหม คุแม่มีกรรมอะไรจึงมีลูกตายและพิการโดยเฉพาะกับพี่ชายที่เป็นใบจะดูแลแล้วห่วงมากที่บ่ายฐานกลับไปดูสิ์บุรีทุกคนค่ะกราบขอความเมตตาพระเดชบคุคคลหลวงพ่อแนะนำโดยคำวัาสร้างบุญอย่างไรทางทําหน้าที่อย่างไรจริงจะได้ติดตามตามติดสร้างบารมีกับพระเดชบคุคคลหลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะไปทุกพบทุกชาติตราบถึงที่สุดเองทำเอาก็ข้อที่หก็ ทำมันทุกบุญนาละล่กเอ้ยทั้งทานทั้งศีลภาวนาทำให้มันเข้มข้นเอามาฝังเคสัต ด, ดีกันเลยพ่อตายอายุห3บสามปีเป็นมะเร็งในกระเพาะ อ, อาหารเพราะกรรมอดีตและปัจจุบันบวกกับอบนิสัยในปัจจุบันนี้ในอดีต เคยเกิดในสังคมเกษตรกรนี่นฝันนี่ฝันนะจ๊ะครับแน่ดีได้เคยเกิดในสังคมเกษตรกรได้ทะเลาะกับเพื่อนบ้านด้วยความโกรธจรึงได้เอายาเบื่อไปใส่ในอาหารสัตว์ที่เพื่อนบ้านเลี้ยงไว้เช่นไก่หมูเป็นต้นเมื่อสัตว์กินเข้าไปก็ตายทั้งแล้ว<อ>และกรรมในปัจจุบัน ที่ได้ขาสัตว์ทั้งทำเองบ้างและสั่งให้เขาทำบ้างเพื่อปรุงเป็นอาหารเนื่องจากเป็นร้านขายอาหารจึงมีสัตว์พวกแมลงสาบหนูมากินเศษอาหารก็เลยเอายาเบื่อหนูมแมลงสาบเป็นต้นไปวางไว้เมื่อมันมากินก็ตายกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันดังกล่าวรวมกับอุปนิสัยเป็นคนมักโกรธขี้โมโห จึงทำให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารจ้ะ ค, คือการเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารมันมาจากหลายสาเหตุนะจ๊ะแต่อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของเฉพาะเจ้าของเคล็สดีนี้ตายแล้วคตินิมิต ด, ดำมืดจึงถูกดูดไปอยู่ในมหาเนโรขุมห้าเพราะขายสุราบุรีและปานาันอาทิบัตจิตจึงเศร้าหมองมาก ไปมีกายผอมดำสูงใหญ่ปานภูเขากำลังเป็นโดนนายนรยาบาลเอามือล่วงเอาบุหรีออกจากท้องเราจำกันได้ไหมภาพนี้ล้วงไปเลยและะ้วก็อ้วกออกมาเป็นน้ำกรดสีดำจนน้ำมันไหลไปในลำธารลำธาร น, นั้นก็ไหลไปลงกับเป็นแม่น้ำใหญ่ แล้วก็ถูกนารีบานเอามีดใหญ่เฉือนบ้างสับบ้างแทงบ้างสลับกันไปกับการล่วงและอ้วก<อ>คือมันมันหลายๆกรรมมาทุกทรมานมากอีกยาวนานกว่าจะพ้นกรรมบุญที่ทาจริงยังไม่ได้รับจะ่ปรอคอยในยมโลกแล้วต้องช่วยด้วยวิธีพิเศษคือเข้าถึงวิชาธรรมกาย พี่สาวตายสองขัวเพราชาตในอดีตตัวเป็นภรรยาหลวงซึ่งในบ้านสามีภรรยาน้อยหลายคนต่อมาภรรยาน้อยมีลูกโตก็ไม่พอใจคิดจะฆ่าลูกเมียน้อยจึงแอบวิยาพิษใส่ไปในอาหารทีละนิดและป้อนให้เด็กกินทีละน้อยโดยแท่งว่าทำเป็นเอ็นดูเด็ก จนเด็กเขค่อยป่วยแล้วก็ตายเป็นในที่สุดตอนนี้พี่สาวไปเกิดและตายอย่างนี้หลายรอบแล้วจ้ะไปเกิดแล้วก็ตายเกิดตายเกิดตายตอนเนี้ยหลายรอบแล้วพี่ชายคนที่สองที่เป็นใบพระเจ้าในอดีตจะเป็นขี้เมาเกา่า<อ>เวลาเมาก็มักจะโมหโห<อ>ที่เป็นเศษกรรมแล้วนะคือส่วนันกรรมไป่ใช่หมดว<อ>เวลาเมาก็มักจะโมโหพูดจาหยาบคาย เมื่อใครมาตักเตือนแล้วมักจะทุบตีทำร้ายภรรยาบางทีไม่มีเงินก็ไปขอเงินพ่อแม่ไปกินเหล้าเพราะถ้าไม่ให้กระดาท่าน<อ>กรรมที่ด่าพ่อแม่เลยทำให้เป็นใบส่วนกรรมสุลาทำให้ปัญญาอ่อนส่วนที่เป็นโรคลมชักมนคลณกรรมกันเลย เพราะเวลาเมาชอบมีเรื่องชกต่อยหลายครั้งมักจะฆ่าปลาสดๆมาทำกับแกล้มโดยวิธีทุบหัว<อ>ทั้งหมดนี้คือเศษกรรมเท่านั้นนะ<อ>ส่วนส่วนของกรรมน่ใช้มานานแล้วตั้งแต่ไปตกใ น, นมหานลกไปไล่เลี้ยงมาตามลำดั บ, บนี่มาเป็นเศษกรรมคือปัญญาอ่อนใบพระด่าพ่อด่าแม่ โลกรมชักเพราะว่ามักไปฆ่าปลาสดๆเลยทุบหัวทำกับแก้มที่โตขึ้นแล้วการชักหายไปและกลับแข็งแรงขึ้นมาจนอายุ52ปีในขณะนี้ก็เพราะในชาตินั้นเองเพออายุมากขึ้น ก, ก็ค่อยลดการดื่มเหล้าและทำปาณาติบาตลงกลับเนื้อกลับตัวกลับใจแต่นานๆก็ดื่มสักทีหนึ่งคือไม่ได้ดื่มทุกวัน แบบหัวหลานําแล้วต่อมาก็เลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดี<อ>แต่เลี้ยงดูท่านไปได้นานท่านก็เสียชีวิต บ, บุญที่เลี้ยงดูบิดามารดาก็ททำให้มีคนมาเลี้ยงดูตนในชาตินี้นะแม้ว่าตนจะเป็นคนใม่ปัญญาอ่อน<ม>กอกับบุญปัจจุบันที่ครอบครัวทมแล้วทุกคนร่วมใจร่วมใจกันกับตนก็มีส่วนทำบุญอยู่ด้วยเห็นไหมใส่บาตรที่แม่พาไปใส่แต่ว่าเศษกรรมนี้เนี่ย ยังจะต้องติดตามตัวบีอีกหลายสิบชาติทีเดียวกว่าจะหมดกรรมสุราในกว่าจะหมดกรรมเนี่ยคือจะต้องปัญญาอ่อนไปอีกและกรรมที่ด่าว่าบิดามารดาเพราะฉะนั้นจะอยากให้เขาพ้นกรรมเร็วๆก็ต้องให้เขาได้ร่วมบุญทุกครั้งเวลาทําบุญอะไรเนี่ยแม้ว่าบางครั้งเขาจะรู้บางครั้งก็าไม่รู้หรือบางครั้งเราดูเหมือนเขาจะไม่รู้อะไรนี่แหละกลายเขาได้ร่วมบุญด้วยบุญเนี่ย ก็จะค่อยๆบรนเทาเบาบางไปช่วยลดย่อนพ่อนโทษแทนที่จะต้องไปใช้วิบากกรรมนี้อีกหลายสิบชาติก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆส่วนคุณแม่เนี่ยสนับสนุนสามีดื่มเหล้าโดยตัวเองทำกับแกล้มให้ทำให้ต้องมาเลี้ยงลูกปัญญาอ่อนกับปัจจุบันนี้รักลูกโดยสงสารด้วยแต่วิบากกรรมก็คือ ทำกับแกล้มให้ไม่น่าเชื่อเลยนะมัน ต, ติดติดติดกันมาตลอดหมดมีผลทั้งนั้นแต่ที่มีลูกตายเมื่อสองขวบกรรมนี้เกิดจากการอนุโมทนาบาปที่มีลูกตายตอนที่ลู ก, กอายุสองขว บ, บเพราะเกิดจากกรรมอนุโมทนาบาปเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันอันนี้อนุโมทนา บ, บางคนก็ไปทำกรรมไปฆ่าสัตว์ ลูกสัตว์อะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินในฟังจําได้ไหมจ๊ะจำได้แต่นี้อนุโมทนาบาปครับคือคในชาตินั้นตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนเก่าแล้วรู้ว่าเพื่อนของตัวจะฆ่าลูกเมียน้อยโดยการบอกเล่าของเพื่อนคือไอ้ลูกสองขวบนะั่นแหะเป็นเพื่อนกันไงใ น, นงก่อดไหมเพื่อนได้มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยจะฆ่าลูกเมียน้อยตัวก็รับรู้ก็กไปได้ห้ามความ แล้วมันก็เออ เ, ออเออตามใจใคล้ายๆรักเพื่อนนะเออเออแล้วแต่ไอ้แล้วแต่เออเออเอเนี่แหละชาตินี้ก็เลยเอามาเป็นลูกของตัวแล้วก็ลูกนี้ก็ตายสองขวบเพราะกรรมของเขาแต่เขามาเป็นลูกของตัวแล้วก็ตัวก็เลยมีลูกตายอ่าตอนสองขวบอย่างนี้เข้าใจไหมจ๊ะ เ, เออเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยบาป ก, กรรมไม่เพียงนิดจะคิดทำ